ต่อไปข้อ6กตุราญาที่กระณะในฉัตรถีวิพัฒน์ฉัตรถีขยายฉัตรถีข้อหนึ่งตัวอย่างอนาถาปิณฑิกัสะเศธิโนอางรามังเชตวันังคโตคโตไปแล้วอางรามังเชตวันังสู่วัดพระเชตวันสู่อังรามชื่อว่าเชตวันเศติโนของเศรษฐีอนาถปิณฑิกัสะชื่อว่า อนาถปินิกะไปสู่วัดเชตวันของเศรษฐีอนาถปินิกะของอนาถปินิกะเศรษฐีและแต่เราจะใช้สำนวนวว น, นิยมอย่างนี้<ท>พอพูดถึงวัดของเศรษฐีนี้เท่าไรทีไรก็ต้องเป็นอารามังเชตวั น, นังอย่างเนี้ย เ, <laughs> เ, เอาอารามังไว้ไว้ได้ครับได้ไม่ผิดครั บ, บแต่สำนวนของอนาถาปินิกะเศรษฐีมากเป็นอย่างนี้เพราะจะเน้นครับ ไปสู่วัดวัดนี้เป็นวัดของใครชื่ออะไรก็เลยเน้นหน่อยข้อ 2- สุหัชานังชนานังคามโตพัดตังยาจติยาจติย่อมขอพัดตังซึ่งอาหารคามโตจากหมู่บ้านชนานังของชนทั้งหลายสุหัชานังผู้มีน้ำใจขอเข้าจากบ้านของคนมีน้ำใจ ถ้าไปขอบ้านครับมีมีน้ำใจก็ไม่ให้แล้วยังไล่ตะเพิดอีกนะก็มีเจ้าคนขอทานคนหนึ่งไงเที่ยวขอทานไปเรื่อยวันหนึ่งเศรษฐีเห็นขอทานผู้นี้เดินขอทานอยู่รังเกียจมากด่าด้วยทั้งดา่าทั้งขับไล่หนีเจ้าขอทานผูกใจเจ็บแค้นเอาไว้ เพราะว่าคนขอทานนจะถือว่าเป็นเป็นวันณ่จันทานนะเป็นวันน่าต่ำมากคนส่วนเศรษฐีทั้งหลายเขาจะเป็นวันณ่พราหมณ์วันณ่สูงหนึ่งกับ4ี่ห่างกันนะไม่ใช่ต่อกันด้วยสูงสุดกับต่ำสุดนั่นก็เลยตําหนิดูถูกเหยียดหยามเจ้าขอทานผูกใจเจ็บเอาละ่ะท้าเราไม่ได้ลูกสาวของเศรษฐีจะไม่ยอมจะแก้แค้นเศรษฐี ไปนอนขวางประตูบ้านขอทานเึ็นคนที่เป็นคนกาลกันีสนเสรษฐีเป็นคนสูงส่งไปนอนขวางประตูบ้านเลยตื่นเช้าเสรฐีเอ้าออกจะไปเข้าเฝ้าพระราชาขอทานนอนขวางทางอยู่หน้าบ้านไปไม่ได้เพราะกาลกินนีขวางทางอยู่กลับเข้าบ้านวันหลังออกไาอีกขอทานคนนั้นก็มานอนขวางประตู จะบอกคนโน้นคนนี้ไปยกมันทิ้งมันก็ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเพราะมนคนการละกิ น, นีสุดท้ายนานเข้า น, านานเข้าสามเดือนเศรษฐีออกไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่รู้จะทำไงได้ต้องไปขอร้องมันว่าออกเถอะพ่อออกไปเถอะต้องการอะไรข้าจะให้ไปไหนไม่ได้แล้วสามเดือนมานี่ไม่ได้ไปไหนเลยสุดท้ายจะให้จริงหรือเปล่า เธอน่าข้ามีอะไรให้ได้ให้ทันทีท้างนงั้นได้ลูกสาวของท่านแล้วข้าจะไปเท <laughs> ่านั้นแหละเศรษฐีต้องยอมยกลูกสาวให้ให้มันออกออ ก, ออกจากหน้าประตูบ้าน <laughs> ยกลูกสาวให้ไม่ยอมไว้ไม่ได้เพราะต้องให้อ่ะเพราะกิจการทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าคนละกันมีมานอนขวางประตูบ้านเนีย่ยจะทำอะไรไม่ได้ โอ้ยบาวไพ่โอ้ยบาวไพรบ้านเศรษฐีคนจันทันมาเป็นไม่ได้มันก็ต้องรัดมันต้องวันณักพราเหมือนกันไม่มีใครอมาแต่ต้องแม้จะเดินไปเห็นเห็นโูกเข้าตานี่ก็ถือว่าเป็นเสนีย์จันไรมากแล้วเขาเขาลังเกียจวันณะกันขนาดนั้นน่ะเขาดูกันออกดูเครื่องแต่งตัวดูดูผงดีหลกที่แต้มก็รู้คนวันนักไหนเป็นวันณัไหนดีหลกแปลว่าแป้งเจิม ผงอะผงสีสีที่เขาแต้มหน้าน <c oughs> โดยคําว่าตีละกะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าขีมงวันก็ตีละกะเนี่ยจุดด่างจุดแต้มอะไรต่างเขาเรียกว่าดีหลงมาจากบาลีว่ติละกะ <c oughs> เขาเขาจะไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะคนวันน้าพราม์ส่วนใหญ่แต้มน้าผาเขาไม่ได้แต้มแค่ตรง น, นี้เขาขีดนี่เลยเนยตาใหญ่ๆเนะเอาดูต่อไป ต่อไปข้อ3าเอกัตสสะปุริสัสสะภณริยาปุตตังวิชายิภัณริยาเป็นประธานวิชาญิเป็นกริยาเอกัตสสะปุริสัตสสะในเป็นฉัตถีตุริยาที่คณะภนะัณริยาพัณฑรยาปุริสัตสสะของบุรุษเอกัตสสะคนหนึ่งวิชายิคลอดแล้วปุตตังซึ่งบุตรภรรยาของบุรุษผู้หนึ่งคลอดบุตรแล้ว